เสร็จแล้วพออารมณ์ไม่ดีเสร็จวิปัสสนาไม่เป็นเลยหรือสมถาก็อ่อนไม่มีแรงสมถาเลยเพราะนั้นวันนี้แพ้สรุปแล้วเมื่อวานนี้ได้แต่วันนี้แพ้ถ้าแค่สองวันเนี่ยคุณรู้อย่างว่ากำลังคุณแค่ไหนถ้าทาแค่สองวันนีุ้ณรู้อย่างกำลังคุณได้แค่ไหนฮะนะ <laughs> ป่าวันหนึ่งได้วันหนึ่งล้มอย่างเงี้ย รู้กําลังตัวเองยัง50 50ยังหลอกสรุปได้ง่ายยังไงโอ้โ oh, ห oh, แค่ทําแค่นี้ยังรู้ได้ยากต้องทําอีกคุณเป็นอาทิตย์เป็นเดือนทําไปแล้วคุณจนกระทั่งคุณหาผลสรุปเพราะว่าถ้าคุณแพ้ชนะคุณแพ้ชนะสลับไปอยู่เรื่อยเลยนะทั้งเดือนเลยนะนี่นี่สมมุติสมมติว่าแพ้ชนะแพ้ชนะโอ้โ oh, หสลับไปทั้งเดือนเลยเอาละถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยคุณทําแล้วมันได้อย่างเงี้ยคุณพอจะสรุปได้ไง กำลังคุณมีสักแค่ไหนฮ ะ, ะกาลังคุณมีสักเท่าไหร่มีสักกี่ปเปรเอปรเ์เซ็นต์กำลังคุณเออกําลังคุณมีได้สักห้าสิบเปอร์เซนแสดงว่าโอโ้โหกําลังเรานี่ตอนนี้สู้กับมันทั้งเดือนนี่แพ้สลับชนะแพ้สลับชนะนี่โอโ้โหแสดงว่าอินซีพลาของคุณเนี่ยมันประมาณห้าสิบเปอร์เซนต์ท่านะในการที่จะสู้กับกับไอ มือเดียวนี่นะกำลังคุณยังไม่มีพละกําลังที่จะเต็มร้อยได้เลยหมายถึงขีดความสามารถนะนะมันได้แค่ห้าสิบหน่วยเท่านั้นเองหมายถึงว่าตอนนี้กำลังเราสูงสุดเนี่ยมีแค่ห้าสิบหน่วยที่สู้กับกับกิเลสตัวนี้สูงสุดละตอนนี้ฝีมือเราพวกเนี่ยฝีมือเราสูงสุดได้แค่ห้าสิบหน่วยสมมติว่าเดือนหนึ่งนี่พอจะเห็นผลละเหมือนกับกินยาเนี่ยเขาบอก ถ้ากินยาเดือนหนึ่งเนี่ยพอจะรู้แล้วว่ายานี้จะรักษาเราหายหรือว่าไม่หายก็ <c oughs> บอกเดือนหนึ่งนี่น่าจะรู้ผลถ้าคุณกินยาไปกินยาไปใช่ไหมกินทุกวนันทุกวนันทุกวันเนี้ยเดือนหนึ่งน่าจะพอจะรู้ผลแล้วว่ายานี้เนี่ยจะช่วยคุณได้ขนาดไหนหรือว่าไม่สามารถรักษาให้คุณหายจากโรคนี้ได้มันพอจะสรุปได้บ้างอาจจะไม่ถึงกับเป๊ะเลยทีเดียวแต่พอสรุปได้เหมือนกัน ถ้าคุณทําได้สักเดือนหนึ่งนี่นะคุณแพ้ชนะสลับกันไม่ใช่แกล้งนะอย่าไปแกล้งนะบอกแล้วว่าทุกวันนี่คุณก็ทําเต็มที่คุณก็ทําจริงทุกวันเลยแต่ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรต่างๆจะแทรกซ้อนเข้ามาแต่เราก็สู้พยายามทําพยายามท ำ, มทำแต่ผลสรุปมันออกมาได้อย่างนี้แสดงว่ากําลังเราได้แค่ห้าสิบหน่วยพเพราะแล้วพอคุณรู้แล้วนี่คราวนี้ ตอนนี้นะพ่อคุรู้ระดีความสามารถคุณคุณประมาณนี้เท่านั้นอ่าเพราะนั้นเรื่องของอืกินมือเดียวเนี่ยจริงๆเนะี่ยคุณทําได้ครึ่งต่อครึ่งคุณทําได้ครึ่งต่อครึ่งถ้าคุณไม่ยอมแพ้นะฟังดูดีๆนะครับนี้จิตใจคุณมีความขวนขวายจิตใจคุณมีความภาคเภียิพยายามทําำมาถามคุณหน่อยฮะ ถ้าคุณทําต่อไปอีกคุณทําต่อไปอีกเพราะว่าในขณะที่คุณสู้ไปเนี่ยคุณก็ต้องวิจกวิจารใช่ไหมคุณต้องใช้สติปัญญาที่จะพิจารณาหาทางสู้หาทางแก้ไขไปเรื่อยรับรองเลยถ้าคุณทําอย่างนี้ไปเรื่อยเดือนต่อไปคุณจะเป็นไงมันต้องมีแต่ดีขึ้นมันไม่มีแย่ลงหรอกคุณถ้าคุณไม่สวยเจอวิบากกรรมอะไรมาเล่นงานให้เจ็บให้ป่วยให้อะไรนะเออมันมีแต่ต้องดีขึ้นไม่มีแย่ลงรับรองได้ ยืนยันได้เลยอันนี้ไม่มีเสื่อมไม่มีต่ําลง<ม>เพราะการที่เราทําไปแล้วเรามีวิตกวิจารมีพิจารณามีวิปั ส, สนาอะไรเข้าไปด้วยแล้วมไม่มีละต่อให้คุณ<ม>ต่อให้คุณสมมติว่าเดือนนั้นทั้งเดือนนะคุณทําได้ไม่ถึงห้าสิบให้ไม่ถึงห้าสิบหน่วยด้วยคุณทําได้แค่ยี่สิบหน่วยเท่านั้นเอาแพ้มากกว่าชนะด้วยเอาแต่คุณทําได้น้อยเนี่ยนะแล้วคุณแพ้มากเลยนะ แต่คุณก็ยังพยายามต่อสู้และคุณก็ยังพยายามพิจารณาตรวจสอบนะพยายามหาทางแก้ไขแล้วก็สู้เต็มกาลังคุณไปเรื่อยตามกําลังที่คุณมียี่สหน่วยเนี่ยคุณสู้ไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยเชื่อเถอะ เ, เดือนถัดไปไปไงคุณต้องทําได้มากกว่ายี่สิบหน่วยนี่คือสัจจะเลยเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวถึงบอกว่าขอให้ทําจริงๆเถอะทําเต็มที่แล้วทุกครั้งค่าวนี้ ทุกครั้งที่เราทำชนะได้แม้จะน้อยครั้งก็ตามเราวิปัสสนาเนี่เราใช้ปัญญาควบคู่ไปด้วยพระทุกครั้งที่เราชนะได้เนี่ยเราก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเอามีปิติมีสุขหรือว่าเป็นกาลังใจเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งอันนี้แหละคือความเบิกบานคือความร่าเริงคือความแจ่มใสอันนี้คือมรรคผลที่ได้จากการที่เราเนี่ยปฏิบัติ ความดีหรือปฏิบัติศีลปฏิบัติตะบะนั้นได้อันเนี้ยจะเป็นเครื่อง อ, อ, อะไรอะ่ะเป็นผลที่จะมาตอบแทนที่ทำให้เราเนี่ยสุขมีความเบิกบานเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราทำได้แล้วเราสัมผัสได้ถึงอารมณ์อาการอย่างนี้ โ, โถ้ทําทำได้มากกว่านี้มันก็ยิ่งสุขยิ่งกว่านี้ มันก็ยิ่งเบาสบายยิ่งโปร่งยิ่งกว่านี้นะสิเพราะนั้นก็ยิ่งอยากจะทำเพิ่มขึ้นอยากจะทำเพิ่มขึ้นอยากจะทำให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนนั้นเขาที่จะตรวจสอบออกแล้วว่าเอนี่นี่เป็นการที่เราเนี่ยปฏิบัติได้แล้วเราเบิกบานล่าเริงแจ่มใสอย่างถูกทางหรือไอ้ที่สบายๆแบบติดแป้นหรือสบายๆแบบปฏิบัติแบบรูบคำคำหรือเปล่ามันจะแยกออกได้ที่ตรงนี้ ถ้าคุณปฏิบัติแบบลู่ลูบคําำแล้วคุณสบายเนี่ยนะแบบติดแป้นแล้วก็คุณสบายเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าคุณจะไม่ต้องต่อสู้อะไรแล้วคือมันไม่ไม่ต้องไม่ต้องหนักเหนื่อยไม่ต้องต่อสู้อะไรแล้วแล้วโดยความเป็นจริงเนี่ยคนที่สมมุติว่าท่าสู้มาได้แล้วเนี่ยนะแล้วมาติดแป้นเนี่ยมันเลิกสู้แหละมันไม่ต้องสู้มันสบายโดยที่มันไม่ต้องสู้แล้วแต่มันจะเสพไงมันจะเสพเสพไอ้ที่ทํามาได้ กงสบายเผลอๆก็เริ่มบางทีปล่อยใจที่จะเอยไม่เป็นไรย้อนย้อนบ้างไอเดิมบ้างไอ น, นี้แบบมันจะเริ่มปล่อยเพราะชักจะเชื่อมั่นตัวเองหรือชักจะหลงตัวเองว่าเออเราทําได้แล้วเราทําได้แล้ว <c oughs> เออเริ่มประมาทซึ่งจะต่างจากคนที่กําลังสู้สู้แล้วก็เออชนะบ้างแพ้บ้างใช่ไหมเราทาเต็มที่สู้แล้วก็ชนะบ้างแพ้บ้างแต่คนนี้ โอ้โหกว่าจะสู้ได้แล้วถึงชนะนี่เวลาชนะได้นี่คุณ ม, มีความสุขมากเลย ม, มีความภูมิใจในตัวเองมากเลยมันจะต่างกันเลยความสุขสองอย่างนี้จะต่างกันมากความเบิกบานแจ่มใสไม่เหมือนกันเลยเพราะอันนั้นจะแรงจะเป็นปิติจะเป็นสุขที่แรงกับกันมากเพราะว่ามันได้ใหม่ๆมันได้ใหม่ สู่ชนะใหม่ๆเนี่โอ้โ oh, ห oh, แรงแต่พวะคุณได้ไว้ได้ไปได้ไปก็เฉยลงเรื่อยเฉยลงเรื่อยเพราะว่ามันซ้ำซ้อนละแล้วพอซ้ำซ้อนมากๆเขาบ่อยๆเข้าก็ระวังเถอะติดแป้นเนี่ยมันมันตกฐานขี้เกียจจะตกตัวสบายตกฐานขี้เกียจคราวนี้ก็เริ่มขึ้นอืดละอ่าเสร็จแล้วนี่คําถามนี้ก็ก็ตอบไปพอสมควรนะส่วนว่าแล้วจะรู้ความพอดีพอเหมาะ นะว่าจะอยู่ที่ตรงไหนตัวเองจะเป็นคนตอบได้เองความพอดีพอเหมาะนี่นะฟังให้ดีพ่อท่านเคยพูดให้พวกเราฟังอยู่บ่อยๆความพอดีพอเหมาะอยู่ตรงที่คุณทำไปสุดแรงสุดกาลังคุณแล้วละคุณทำได้ตรงนั้นนะ่ะคือความพอเหมาะพอดีฟังคำว่าพอเหมาะพอดีของตัวเราเนี่นะคุณฟังให้ชัดๆ เหมือนกับผู้จ้าท่านเปรียบพินสายกลางใช่ไหมพินสายกลางถือว่าพอเหมาะพอดีถูกไหมพินสายหย่อนก็ขึงพินสายตึงก็ขึงแต่พินสายพอดีเนี่ยอยู่ตรงกลางก็ขึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นพินสามสายนี้ขึงขึงไป ห, หมดทั้งสามสายแต่พินสายหย่อนนี่แหละลูบๆคำคำเล่นพินสายหย่อนเนี่ยคือพินสายที่ถ้าถือศีลถ้าตั้งตบาบะก็ลูบๆคำคำเล่น คือมันย่อนย่อนไงละสายเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ขึงให้ดีขึงแบบย่อนย่อนท้ามั่งไหมท้ามั่งเอาจิ ง, งมั่งไหมเอาจริงมัง่งยวนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพินสายย่อนส่วนอย่ทีไ่ไปพินสายตึงก็โอ้โหขึงสะตึงตึ้งเลยพร้อมที่จะขาดดีดไม่ดีีด่ดีแรงไปหน่อยขาดปึ้งเลยพินสายนี้เพราะฉะนั้นแล้วเป็นยังไงก็เหมือนกับคนที่ตั้งตบาบะแล้วก็ทําไปแบบ โอ้โหกดข่มมากเลยนะตั้งจิตไว้ดีตั้งใจจะทําแบบสุดแรงสุดกําลังของตัวเองแต่ปรากฏว่าพอยกไม่ขึ้นแล้วคราวนี้ไอ้น้ำหนักเนี่นะเล็กี้เราสมมติไว้เท่าไหร่นะกี่กิโลเออแปดสิบกิโลนี่ยกไม่ขึ้นใช่ไหมรู้แล้วนะว่ายกไม่ขึ้นนะกันโอ้โหหน้าก็เขียวหน้าก็เขียวเราฟันนี่กัดกรอดกรอดยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นก็ยัง Uh huh. เอา้าเอา้าเอา้ายกอยู่น่าจะยกอยู่น่าจะยกอยู่น่ายกอ ย, ก ย, กยกูหลังเคสบ้างคอเคสมั่ง <c oughs> หรือว่าอะไรบ้างอะ่ะเริ่มแล้วคราวนี้คือคือคือค อ, อันนี้ก็เกินเกินพอดีแล้วทั้งทจะยกแล้วยกอีกยกแล้วอีกย ก, ย, กยังไงก็ยกไม่ขึ้นอะก็รู้อยู่แล้ว ย, ยังไม่ยอมรับความเป็นจริงอีกนะว่าจริงๆแล้วเก่งที่สุดได้แค่เจ็ดสิบเก้ากิโล กำลังสูงสุดแต่คือเจ็ดสบเก้ากิโลแต่ยกแล้วยกอีกยกยายกอี ก, ก, อกไอ้แปดสิบเนี่ยยกแล้วก็ไม่ขึ้นนะจนกระทั่งโอ้โหอะไรอะ่ะเส้นเอ็นจะเสียไปหมดแล้วก็ยังเอายกอยู่นั่นอะ่ะนี่นี่ น, นี่คือพินสายตึงวันน้ำหนักแปดสิบกิโลตอนนี้เนี่ยอันนี้เกินแล้ววันความพอดีพอเหมาะบอกแล้วแต่ น, นี่อยู่ที่ตรงไหน <79. S 1> อยู่ที่ตรงเจ็ดสิบเก้ากิโลที่ ยกได้มากที่สุดตรงนั้นก็คือความพอดีพอเหมาะของคนนี้ว่าคุณออกกําลังสูงสุดคุณออกถึงเจ็ดสิบเก้ากิโลนี้ถือว่าพอดีถ้าคุณออกเกินเจ็ดิบเก้ากิโลไปในขณะนี้ถือว่าเกินนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ทําความเข้าใจคําว่าพอดีตรงนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าพอดีก็คือเรายกได้สูงสุดคือเจ็ดิเกกิโใช่ไหม เพราะนั้นส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าหารสองใช่ไหมคือเอาสองมาหารเพื่อที่ระหว่างเจ็ดสิบเก้านี่คืออะไรตรงกลางเอาสองหารสิหารเจ็ดสิบเก้าเท่าไหรเอานักบัญชีคิดมาไวๆฮะสามสิเก้าจุดห้าเหรอคิดถูกกันนะคิดถูกันนะอ่ะวันสามสิบเก้าจุดห้าเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยข้างนอกทั่วๆวไปเขาบอกว่าความพอดีคือ ส9มสิบเก้าจุดห้านี่แหและคือทั่วๆั่วไปเขาบอกว่าพอดีคือตรงนี้ถ้าทำพอดีคือตรงนี้แต่ไม่ใช่ใชความพอดีอย่างของพุทธนี่คือเจ็ดสิบเก้าต่างหากอะคือพอดีมไม่ใช่สามสิบเก้าจุดห้าตรงแที่อาตมาที่บอกว่าโอ้โหถ้าไม่ระดับพ่อท่านมาพยายามอธิบายมาอะไรนี่นะโอ้เรายังคงไม่เข้าใจอะเราความพอดีของเราอย่างเช่น วันนี้นะจริงๆแล้วตั้งตะบะจะไม่กินขนมก็ทําได้ใจเราจริงๆนะทําได้ตั้งตะบะเ อ, ออะไรอีกอะไม่กินของเผ็ดสมมุติก็ทําได้ทำไม่กินก็ทําได้ข <_ t ot> ีดความสามารถถึงหมายถึงขีดความสามารถถึงสองอย่างเนี่ยจริงๆแล้วทําได้ทั้งสองอย่างแต่้ยเพื่อความพอดีพอเหมาะเราตั้งแค่อย่างเดียวก็พอนี่นี่คือคือ ทั่วไปนี่คือความพอดีพอเหมาะของทั่วไปเพราะนั้นวันนั้นเลยตั้งตะบะอย่างเดียวว่าแค่ไปกินขนมไออย่างของหวานนี่อย่างเดียวก็พอแล้วส่วนอีกอย่างของเผ็ดไม่เป็นไรกินก็ได้ <c oughs> นี่นี่คือมัชชิมาของทั่วท่วไปซึ่งไม่ถูกเขาเข้าใจยังไม่ถูกต้องเขาจะหารสองอย่างนี้อยู่เรื่อยทั้งท้ที่ความจริงอา้าวก็มัชชิมา อย่างของที่พระเจ้าท่านสอนอยู่เนีท่านเปรียบพินสามสายให้ฟังแล้วเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจได้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยโอ้ก็ความพอดีพอเหมาะของเราเนี่ยสูงสุดวันเนี้ยถ้าเราตั้งไว้สองอย่างเนี่ยิตเรามีพลังแล้วเราก็ยังสู้ได้โอ้ถ้าตั้งเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึ่งสินะไม่กินของเผ็ดไม่กินของหวานแล้วไม่กินอะไรอีกฮะไม่กินผลไม้เอาอีกอย่างหนึก็โอ้โหเกินละคราวนี้เกินละเ้อเบ้อนี่ อาจจะยังไงอาจจะส่งอาหารให้ใครแบบแรงๆ แ, แล้วนะหรืออาจจะคือชักเกิดกิเลสแล้วชักอารมณ์เสียชักอารมณ์ไม่ดีอันนี้เรารู้แล้วนี่นี่นี่ชักจะเกิดแล้วนะชักควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วชักไม่เบิกบานชักไม่แจ่มใสแล้วสิอย่างนี้อย่างนี้ทาไปแล้วก็หน้าเบี้ยวหน้าบูกกดขมแบบเป็นกิเลสซ่อนซุกอยู่ข้างในแล้ว อ, อย่างนี้ไม่ใช่ แต่คุณตั้งตบาบะเสร็จคุณทำสองอย่างนั้นใช่ไหมปากฏว่าโอ้โหคุณก็สู้นะคุณสู้ได้ไงก็บอกแล้วคุณสู้ได้แล้วทําแล้วก็ปางกฏว่ากระทาได้จิตก็ไม่ได้ไปเก็บกฎไม่ได้ไปอุหูอะไรอะ่ะอาฆาตไม่ว่าเดี๋ยวมึงพรุ่งนี้ก่อนเถอะนะไม่ได้อาฆาตจองเวรไม่เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเถอะทั้งขนมหวานทั้งของเผ็นนี่ยเด้อเอาเถอะคือไม่เลยไม่มีจิตเสียอะไร เราสู้เสร็จแล้วก็บอกแล้วแล้วเรายิ่งทําได้เนี่ยเรามีปัญญารู้ว่าวันนี้ตั้งตบาบะไปสองอย่างนี้แล้วก็ทําได้โอ้โหแน่แน่แ น, นไม่มีใครยกให้ก็ยกให้ตัวเองก็ได้ยกยิ้วโปงให้เลยวโอ้โหยอดยอดวันนี้ทําได้เต็มที่เลยวันนี้ทําสุดกําลังเราได้เลยนี่แหละคือพอดีพอเหมาะของเราทําได้แล้วก็แม่เบิกบานแจม่มใสมีความสุขที่เราลดกิเลสมาได้ที่เรา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาได้โอ้โหมันเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าคุณได้กินของอร่อยแล้วคุณมีความสุขซะอีกเพราะความสุขแบบนั้นมันอะไรสุขแบบเสพแบบโลกีแต่สุขแบบที่เราชนะกิเลมาได้มันสุขแบบโลกุตระมันเป็นความสุขที่กิเลเราลดลงได้เนี่ยมันจะตรงข้ามมาเลยเป็นความสุขที่โอ้โสภาว่านี่มันเบาใจนะเบากายด้วย มันจะมีความสุขอย่างมากมากเลยนี่นี่คือความพอดีถามว่าความพอดีอยู่ตรงไหนความพอดีอยู่ตรงนี้นะตรงที่บอกนี่เนี่ยลราบอกว่าจะให้คนรอบข้างเนี่ยช่วยตรวจสอบได้ไหมโอ้ช่วยได้แต่เขาดูได้แค่ภายนอกอาจจะไม่สามารถดูได้ถึงถึงจิตถึงใจเรานะแต่เขาดูได้ภายนอกเขาดูยังไงเขาดูว่าจะหมอนี่ตั้งตบาบะไปแล้วเป็นยังไง นะดูที่คิ้วเริ่มขมวยหรือเปล่าเขาดูได้แต่ภายนอกหรือว่าโอ้โหพอตั้งตบาบะวันนี้ไปนะโอ้โหเห็นเดินกุดหญิดกุนงานเดินกุดหดกุนงานใครแตะแทบไม่ได้เลยนะโอ้โหแสดงว่า น, นี่อันนี่สงสัยจะเกินตะบะท่านละมั้งเนอ่ตบาบะควรจะเกินไปแล้วมึงตั้งไว้นี่คือเขาดูได้แค่ภายนอกนะแต่ว่าจริงๆ บางทีมันกพ็พอดูได้เหมือนกันเพราะมีตัวอย่างมาแล้วเนี่ยคนที่ตั้งตั้งตาบ่าไปบางคนมีนะปกตินี่ก็เงียบๆนะไม่พูดมากแต่พอตั้งตะบาาไปแล้วนี่โอ้โหมันไม่สมใจในสิ่งที่ตัวเองไปสู้ใช่ไมมันมั น, ม, นมันดิ้นเน่ยกิเลมันดิ้นโอ้โววันนั้นเลยพูดมากเลยนะ <laughs> พูดมากเลยจริงๆเพราะมันระบายไงบางทีมันเป็นการระบายอะ่ะโอ้โหพูด ไอนายไอนีหนหนหน่หรือไม่แน่นะอาจจะเป็นวิธีการสู้อย่างหนึ่งก็ได้ <c oughs> อาตมาก็ไม่รู้แหละแต่ปฏิกิริยาภายนอกบางทีมันจะออกมาให้เห็นเพราะบางครั้งคนรอบข้างก็อาจจะพอตรวจสอบได้บ้างแต่ยังไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ถูกต้องจริงทีเดียวน ะ, ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นมาไม่ใช่เรื่องไอที่เขาสู้กัตบะอันนี้นะเพราะฉะนั้นพอจะดูได้ลําลองสําหรับคนรอบข้าง แต่ที่ถูกต้องแล้วตัวเองต้องดูตัวเองอันนี้ชัดที่สุดเพราะเราจะรู้ดีที่สุดอย่างบางคนเนี่ยวันนี้จะงดอภิชาไม่ไม่กินอะไรวันนี้งดกินแต่น้ำเปล่าเียงอย่างเดียวบางทีเดินไปไหนทําอะไรก็<ด>ยิ้มพยายามยิ้มแต่จริงๆบางทีโอ้โหในใจตัวเองเป็นไงนะโอ้ <laughs> จะไม่มีแรง <laughs> แนะี่โอ้ยเห็นแต่ตัวเห็นที่อยากกินอยากกินนะคุณจะรู้ตัวคุณเองใช่ไหมแต่ภายนอกบางทีเราก็ต้องต้องทําท่าเก๋ไ้ก่อนต้องทําเท่ไว้ก่อ น, อ เ, อนเพราะแหมเดี๋ยวคนอื่นเขาจะดูหมิ่นดูถูกเราแหมอดแค่นี้จะตายเหรอ <c oughs> เดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเอาอย่างเงี้ยบางทีมันมีไออะไรอ่ะโลกกระทำเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังไงก็แหมอุตสาตั้งตบาบ่าแล้วยิ่งบางทีประกาศให้ใครต่อใครก็รู้ แหมทำมาทำเหียวเียวโอ้โหนั่งซึมแบบหมดเรี่ยวหมแรงหัวเดี๋ยวเขาเหลืยิ่งดูหมิ่นเราใหญ่เลยอย่างเงี้ยวันแหม่ทาเป็นเดินมาเทที่ไหนได้โอ้โหเจี่ยเียวเอาเขียวเอ า, เ, อาเนี่ยเรารู้คนอื่นไม่รู้ก็ตามแต่เรารู้ว่าโอ้โหนี่ยังยังยังยังยังไม่เบิกบานยังไม่แจ่มใสยังไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องดูตามความเป็นจริงนะการสมมติว่าเราอดเลยเนี่ยเราไม่กินอะไรเลย ไม่มีอะไรลงไปช่วยไม่มีลงอะไรหิวนี่ถูกต้องไหมหิวเนี่ยถูกต้องไหมอ้าวนี่บอกไปถูกต้องอ้าวใครบอกว่าถูกต้องอ่อ้าวก็ปกติกินใช่ัหมเสรยแล้ววันนี้ไม่กินหิวมันถูกไหมต้อมันก็ต้องหิวว่เนีปกติสมมติว่ายิ่งใครกินมื้อเดียวเนี่ยอ่ เสร็จแล้วทําไมกินเนี่ยมันหิวนี่ไออย่างนี้เป็นกินเลสหรือเปล่า ม, มันไม่ใช่กิเลสนะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติวาันคนนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจอันนี้เขาไม่ได้มาทุกข์เพราะความหิวอันนี้นี่นี่คือบอกแล้วเนี่ยวิปัสสนาและมีปัญญาที่ชัดเจนเอ้หิวคราวนี้มันไม่ใช่กิเลสนะเออแล้วก็หิวคราวนี้ถ้าไม่ไปกินอะไร โอ้โหจะหมดเรี่ยวหมดแรงจะตายเลยไหมไม่แน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าไม่แน่แต่ว่าเรี่ยวแรงจะลดลงไหมลดลงเพราะพลังงานที่คุณเอาใส่เข้าไปมันน้อยลงรันคนนี้จะรู้แม้บางทีเออเรี่ยวแรงอาจจะน้อยลงบ้างอาคนนี้จะไม่มามาห่วงไม่มากังนวลว่าโอ้โหเห็นมเนี่ยพออดเข้าไปแล้วโอ้โหนี่เราแย่แล้วนะนี่เราจะป่วยหรือเปล่าเราเราจะ อะไรอ่ะเป็นโรคกรกะเพาะเปล่าเราจะอย่างไรอย่างยี้เปล่าคือคือไม่มาเป็นสภาพที่เป็นกิเลสซ้อนที่เป็นกังวลไอโน่ไอนี่ไอนั่ น, น, น, นกลัวอะไรต่ออะไรจะไม่เพราะคนนี้ชัดเจนเข้าใจสัจจะเข้าใจความเป็นจริงว่าอ้าวคุณงดไปคุณเว้นไปมนันก็ต้องหิวนะเรี่ยวแรงอาจจะต้องน้อยลงเพราะใช้พลังงานไปแล้วนี่อืมเพราะคนที่รู้สัจจะ รู้ความเป็นจริงตรงนี้เขาก็ไม่ห่วงเขาก็ไม่กังวลอะไรมากเพราะนั้นจิตจิตเขาไปยังไงเขาเนี้ย<อ>ไม่ไปทุกข์ไม่ไปกุ้มไม่ไปอะไรสิ<อ>ก็อาจจะรอเวลาหน่อยว่าเมื่อไหรไ่จะเช้านะั่นเอง <laughs> ใช่ไหมแต่ก็ไม่ไปทุกข์ไม่ไปร้อนอะไรมากมายนี่แหละนี่แหละเพราะฉะนั้นคนนี้ยิ่งถ้าเขาทําแล้วเขาเขารอดมาได้นะแม้ว่ามันจะมีเวทนาบ้างแต่เขาก็ยังมีปิติมีสุขที่เขาโอ้โหนี่เขาก็ บเพ็ญมาแล้วนะเคยอดเคยเว้นมาบ้างแล้วนะยิ่งคราวนี้ถ้าจิตดีชนิดที่เรียกว่าทํามาได้บ่อยๆทํามาได้เรื่อยๆวางอุปทานต่างๆได้ด้วยโอ้โหคุณจะไม่หิวก็ได้นะอย่างพระพุทธเจ้าอย่าเงี้ยคุณดูสิไปบินจ่าบาทเอาอาหารมาฉันอย่างเงี้ยไปบินเสร็จไม่มีใครใส่บาตรให้เลยวินเจ้าท่านก็กลับมา ก็ไม่มีอะไรให้ฉันอ่าแล้วก็มานมาดนใจบอกว่าอ่าให้ไปบินใหม่ถ้าไปบินจับาลใหม่ก็มีคนใส่เยอะแน่พระเจ้าท่านก็ไล่ามานไปนี่นี่ีน่ น, น, นคือไอ้จิตที่บางทีมันจะมีเวทนาเพราะว่ามันเป็นธรรมดาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติอ่ะไม่มีอะไรฉันมันก็จะหิวได้อ่ะใช่ไหมเพราะมันก็มาดนใจเราอย่างเงี้ย่าเอา้าเอา้เอาเดี๋ยวหิวนะเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวยีนะไปบินใหม่สิไปบินใหม่แล้วก็ ได้กินแน่หรือบางทีบางคนบอกเนี่ยถ้าเรามาเดินเกย์ๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อนก็อาจจะให้เรานะอย่างเงี้ยมามาโดนใจเราอแต่ถ้าเราบอกแล้วคราวนี้ยิ่งระดับพระเจ้าท่านท่านไม่แคร์เนี่ยท่านไม่ห่วงท่านไม่กังวลท่านไม่อะไรอยู่แล้วถ้าเวีนามจะเกิดบ้างจะมีบ้างก็ก็เรื่องของมันไม่ตายอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่เป็นโลคกระเพาะอยู่แล้วเอท่านก็ ไล่ไอ้อุปทานไล่ไอ้กิเลสพวกนี้ไปเลยจริงๆท่านไม่มีกิเลสอยู่แล้วนะแต่อันนี้อันนี้เราเราพูดในแง่มุมพวกนี้ให้ฟังว่าท่านก็แบบว่าโอ้ไม่ห่วงไม่กังวลเพราะจิตท่านไม่มีกิเลสอยู่แล้วเพราะนั้นท่านก็ตัดลออพวกนี้ไปได้หมดเลยกายไปอะไรจิตของทั่งไม่เพียงแต่ไม่ไม่มาห่วงเรื่องหิวโหยเรื่องอะไรซึ่งบอกแล้วมันเป็นธรรมชาตินะ แต่ไม่เพียงแต่ความหิวโหยเนี่ยจะมาทำให้ท่านเดือดร้อนใจอะไรไม่เลยท่านกับมีอะไรมีปิติเป็นภักษาหารแทนที่จะมามาทุกขมากุ้มไอ้เรื่องว่าไม่ได้กินอะไรลงไปเลยฉันอะไรลงไปเลยกลายเป็นโอ้โหกลายเป็นกับมีปิติมีความสุขซะด้วยซ้ำไปที่ไม่ได้กินอะไรเ <c oughs> ออการไม่ได้กินอะไรนั่นแหละท่านท่านที่ มีเวทนาเกิดขึ้นแต่กลับมีความสุขเป็นอาหารแต่อันนี้เป็นอาหารอะไรละเป็นอาหารทางจิตเป็นอาหารทางใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาหารทางจิตคุณมีอาหารทางใจเนี่ยโอ้มันสามารถทําให้อิ่มได้นะอิ่มบุญอันนี้เขาเรียกว่าอิ่มบุญมันทําให้เป็นสุขได้เพรา ะ, ะนั้นแทนที่จะมา ทุกเศร้าโศกเสียใจโอ้ไม่ได้กินอนะันนั้นแบบไม่ได้กินอนะันนี้บางแล้วมางุดหงิบอารมณ์เสียไม่เลยกลับกลายเป็นความสุขที่โอ้โหไม่ได้กินอนะันนั้นไม่ได้กินอนะันนะี้แม ด, นะดีจังเลยดีจังเลยที่เราไม่ได้กินแทนที่จะเสียใจนะียไหม่เลยกลับดีใจเนี่ยเนี่ยคือความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจได้นะก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเรื่อยๆกรณีที่อิ่มแล้วแล้วยังอยาก เออเอาจีงจริงคืออิ่มเนี่ยนะกระเพาะคุณอิ่มแต่ใจมันไม่อิ่มแล้วส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าหิวหิวอยากกินนั่นอยากกินนี่นะส่วนใหญ่ไม่ใช่กระเพาะอยากหรอกส่วนใหญ่ใจอยากไม่ใช่กระเพาะนะฟังดูให้ ด, ดีอันนี้ยืนยันได้เลยว่าส่วนใหญ่เลย เพราะฉะนั้นที่เราเนี่ยบางทีเราฝึกเลิกกินจุบจิบบ้างฝึกกินให้เป็นมือ้อเป็นคราวบ้างลดมือ้อกินน้อยมื้อลงมาบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อจะฝึกใจฝึกใจที่จะให้ลดอุปทานที่มันยึดว่าแหมต้องกินเท่านี้มื้อนะต้องกินจุบจิบอย่างงี้นะต้องกินไอ้โดไอ้นี่ไอ้นั่นบุงอย่างงั้นอย่างนี้นะนี่แหละสาคัญอยู่ที่อุปทาน ที่กีดตัวเนี่ยสาคัญก็ไม่ต้องตกเย็นก็ะกี่ที่บอกว่ากินอิ่มแล้วเนี่ยเสร็จแล้วคุณยังอยากจะกินอีกเลยบางทีเห็นอะไรผ่านมาเนี่ยพุยง่ายแต่มายังพูดสัมนวนขำๆหน่อยแต่ก็แรงๆหน่อยอ่ะขนาะท้องอิ่มหนังท้องตึงแล้วคุณยังอะไรผ่านมายังอยากจะยัดเข้าไปอีกเลยอะอ้าปากได้อย่างเงอ้าปากย่ง ยัดมันลงไปยัดมันลงไปเลยข้อใจมันมันอยากมันอยากมันอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นใจคนเราเนี่ยมันถึงไม่มีอิ่มไม่มีพอทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าไม่มีอิ่มไม่มีพอเนี่ยอะไรบ้างสามอย่างหนึ่งเอาเรื่องการนอนเหรอเอาสอง เ, อเรื่องกามเอาเอา้าเรื่องกินเอาใช่ไหม ที่ทั้งสามอย่างเนี่ยที่ไม่มีอิ่มไม่มีพอเนี่ยอะไรที่ทาให้ไม่อิ่มไม่พอใจนี่แหละที่มันอยากมันไม่ใช่กายนะไม่ใช่กายนะที่มันอยากใจทั้งหางนี่แหละที่มันอยากที่ไม่อิ่มไม่พอเนี่ยถ้าคุณรวมสามอย่างนี้นะที่บอกว่าไม่ไม่มีไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนี่ยใจรวมลงที่ใจทั้งหมด วันถ้าคุณลองมีใจพอแล้วสามอย่างนี้จะลดลงนันทีใจตัวเดียวพุทธเจ้าถึงตัดว่าใจเป็นประธานวันที่เนี่ยมันถือศีลบ้างตั้งตะบะบ้างที่พยายามฝึกฝนเนี่ยแล้วบอกว่าทำไมต้องใช้การพิจารณาต้องใช้ปัญญาเข้าไปควบคู่ด้วยการวิปัสสนาก็เพื่อที่คุณจะรู้ใจตัวเองให้ได้กําหลาบอุปทานกิเลสในใจเราเนี่ย เปลี่ยนทิฏฐิเปลี่ยนความคิดเห็นเปลี่ยนความยึดถือเปลี่ยนความเชื่อที่เคยไปเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้มาต่างๆแล้วมันฝังอยู่ในหัวคุณเนี่ยถ้าตาบดายล้างไม่ออกคุณก็ยังจะต้องหิวไอน้นวลหิวไอน้นี่หิวไอ้นั่นอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าใครเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ความหิวไอ้ที่ที่หิวแบบไม่ใช่ธรรมชาตินะ หิวแบบกิเลสเนี่ยมันมีแต่เพิ่มขึ้นมันจะไม่มีเท่าเดิมเพราะนั้นมันจะลดลงได้มีอย่างเดียวคือคุณต้องรู้ความหิวแบบกิเลสนี้ว่าอ๋อนี่มันเป็นกิเลสหิวเพราะนั้นถ้าเราเนี่ยล้างมันได้เราแก้มันได้เราเห็นโทษเราเห็นภัยมันได้มันจะเสื่อมลงมันจะคลายลง มันพอใจที่เราหิวเงี้ยอยากโน่ออน อ, อยากนี่มันลด ล, ลดลงลดลงลดลงคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหคราวนี้อันนูนก็ตัดได้ไอันนี้ก็ตัดได้เ<ม>บาขึ้นเลยสบายขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนเคยกินจุบจิบโอ้เดี๋ยวนี้พอพอเข้าใจแล้วปฏิบัติทำมานะรู้เลยยิ่งลองปฏิบัติ ด, ดูด้วยแล้วโอ้โหมันสุขสบายอะไรต่ออะไรหลายอย่างเลยดีกันเยอะเลยยิ่งคุณได้อันนี้มาแล้ว อไม่อยาไปกินจุจิบอีกเลยเสียเวลาแปลงฟันนะไปกินทีก็กี่ฟันเพิ่มทุกทีไปกินทีก็กี่ฟันเพิ่มคุณกินแต่ละครั้งคุณแปลงฟันทุกครั้งป่ะส่วนใหญ่อะกินทีคุณแปลงทีเลยหรือรป่ะโดยทั่วๆไปเนี่ยที่ไปกินจุบกินจิบ<ๆ>กินอะไรต่ออะไรไม่หรอก <laughs> คุณไม่แปลงทุกครั้งหรอก คนที่จะเริ่มแปลงเป็นครั้งๆนี่ก็คือพวกที่เริ่มเลิกกินจุบจีบต่างหากอะที่เริ่มกินเป็นมือถึงจะเริ่มแปลงเป็นครั้งขึ้นมาไม่อย่างนั้นก็สะสมขี้ฟันไว้พอถึงเวลาเย็นมั่งถึงเวลาก่อนนอนมั่ ง, งอะไรอย่างงี้ถึงมาแปลงทีพวกที่กินจุบจิบโดยทั่วไปอะสะสมขี้ฟันน่าเอาเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยบอกประเด็นนี้ว่า อยู่ที่ใจเรานั้นถ้าตาบดาเนี่ยคุณยังแก้ใจที่มันยังไม่อิ่มไม่พอนี่แล้วก็เรื่องของสีเรื่องของตาบาี่ยคือการล้างพวกนี้ทั้งนั้นเลยไม่มีบอกและไม่มีอย่างอื่นเลยพ่อท่านเคยใช้คบว่าไม่มีอะไรหรอกก็มาล้างอุปท า, านคุณเท่นั้นเองที่คุณไปสะสมไปอ่ะราะั้นทุกวันเนี่ยเรามาสารวจของเก่าดูก็ได้ อุปทานเก่าๆเราเรื่องอะไรบ้างที่เดี๋ยวนี้เราล้างออกไปได้บ้างแล้วให้ไปให้ไปบุบเพนะดูซิว่าอย่างไหนล้างไปได้แล้วบ้างแล้วสบายขึ้นมาอย่างไงวันนี้ก็คงพอเท่านี้ก่อน